ส, สิทวาทสมัรหนึ่งสังวโรกรร ม, มันติกถาหนึ่งร้ว่าด้วยความสำรวมเป็นกรรมหกร้อยสสิบกวาทีความสำรวมเป็นกรร ม, ร ม, ร ม, ร ม, รรมใช่ไหมประวาทีใช่สกกวาทีความสำรวมจะขุนสี่เป็นจักขุ ก, กรรมใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ความสำรวมโสตินรีความสำรวมคานินทรียความสำรวมชิหินสีความสำรวมกายินรียเป็นกายกรรมใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น <N down laid ließen> ักวาทีความสำรวมกายินรีเป็นกายกรรมใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีความสำรวมจักขุนสีเป็นจักขุกรรมใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีความสำรวมกายินทรียเป็นกายกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีความสำรวมโสตินทรียความสำรวมคานินทรียความสำรวมชิวหินทรีเป็นชิวหากรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีความสำรวมมณินทรียเป็นมโนกรรมใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีความสำรวมมนินทรีเป็นมโนกรรมใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีความสำรวมจักขุณทรีเป็นจักรคุกรรมใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีความสำรวมมนินทรีเป็นมโนกรรมใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีความสำรวมโสตินทรี ความสำรวมคานินสีความสำรวมชีวหินสีความสำรวมกายินสีเป็นกายกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกรอยสกวาทีความไม่สำรวมเป็นกรรม ola, ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความไม่สำรวมจะขุนสีเป็นจักขุกรรมใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความไม่สํารวมโสตินรียความไม่สํารวมคานินรียความไม่สํารวมชิวหินสีความไม่สํารวมกายินรียเป็นกายกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีความไม่สํารวมกายินรียเป็นกายกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธี ความไม่สํารวมจักขุนสีเป็นจักขุกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความไม่สํารวมกายินสีเป็นกายกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความไม่สํารวมโสตินสีความไม่สํารวมคานินทรียความไม่สํารวมชิวหินสีเป็นชิวหาดกรรมใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีความไม่สำรวมมนินทรีเป็นมโนกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีความไม่สำรวมมนินทรีเป็นมโนกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีความไม่สำรวมจกักขุนสีเป็นจักขุกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาที ความไม่สำรวมมนินทรียเป็นมนกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความไม่สำรวมโซตินรียความไม่สำรวมคานินรียความไม่สำรวมชิวหินรียความไม่สำรวมกายินรียเป็นกายกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อสาสองปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่า ความสัมรวมก็ดีความไม่สัมรวมก็ดีเป็นกรรมใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิสูจ์ทั้งหลายภิกษุนในธรรมมีในนี้เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้รวบถือไม่เป็นผู้รวบถือฟังเสียงทางหูรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วเป็นผู้รวบถือ ไม่เป็นผู้รวบถือมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาตีใช่ประวาทีดังนั้นความสำรวมก็ดีความไม่สำรวมก็ดีจึงเป็นกรรมสังวโรก ร, รมันติกถาจบ2กรรมมกถา1 7ึ่้ยวาเรกักรร ม, ะะ 7, รรม6 3บสกวาตี กรรมทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเจตนาที่เป็นอัพยกริธฝ่ายวิบากมีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักกวาธีเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาทีเจตนาที่เป็นอัพยกฤิฝ่ายกิริยามีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักกวาทีเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาที เจตนาที่เป็นอพยกริฝ่ายวิบากที่เป็นกามาวจรมีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเจตนาที่เป็นอพยกริฝ่ายวิบากที่เป็นบรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจรที่เป็นโลกุตระ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 ใช่ักวาทีเจตนาที่เป็นอัพยากฤิฝ่ายกิริยาที่เป็นบรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจรมีวิบากใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น34พันกวาทีเจตนาที่เป็นอัพยากฤิฝ่ายวิบากไม่มีวิบากใช่ไหมประวาทีใช่สัสกวาที หากเจตนาที hmm? SI. ่เป็นอัพยกฤิฝ่ายวิบากไม่มีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจตนาทั้งปวงมีวิบากสักวาทีเจตนาที่เป็นอัพยกฤิฝ่ายกริยาไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากเจตนาที่เป็นอัพยกฤิฝ่ายกริยาไม่มีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจตนาทั้งปวงมีวิบาก สักวาทีเจตนาที่เป็นอัพยกริฝ่ายวิบากที่เป็นกามาวจรที่เป็นบรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจรที่เป็นโลกุตระไม่มีวิบากใช่ไหมประวาทีใช่สักาวาทีหากเจตนาที่เป็นอัพยกริฝ่ายวิบากที่เป็นโลกุตระไม่มีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจตนาทั้งปวงมีวิบาก สักวาทีเจตนาที่เป็นอัพยากฤิฝ่ายกริยาที่เป็นกามาวจรที่เป็นบรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจรไม่มีวิบากใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีหากเจตนาที่เป็นอัพยากฤิฝ่ายกริยาที่เป็นอรูปาวจรไม่มีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจตนาทั้งปวงมีวิบาก 6 3รปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ากรรมทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวกรรมที่สัตว์มีเจตนาทำไว้สั่งสมไว้ว่าสิ้นสุดเพราะยังไม่เสวยผลก็ผลนั้นแหละสัตว์ต้องเสวยในอัตภาพนี้ ในอัตภาพถัดไปหรือในอัตภาพต่อๆไปมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาธีใช่ปรวาธีดังนั้นกรรมทั้งปวงจึงมีวิบากกรรมมกถาจบสามสัตโทวิปากโกติกถา118ว่าด้วยเสียงเป็นวิบาก636สกสกวาธี เสียงเป็นวิบากใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที teammates. เสียงมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีทุกขมาสุขเวทนาสำปยุตด้วยสุขเวทนาสำปยุตด้วยทุกขเวทนาสำปยุตด <Laughs> ้วยอัทุขมาสุขเวทนาสำปยุต <defe> ด้วยผัสสะสำปยุตด้วยเวทนาสำปยุตด้วยสัญญาสำปยุตด้วยเจตนาสัมปยุตด้วยจิต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 ปรวาทีใช่สกกวาทีเสียงเป็นวิบากมีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเสียงเป็นวิบากไม่มีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่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 พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเพราะตะถาคตได้ทำสังสมพอกภูลเพิ่มภูลกรรมนั้นตถาคตนั้นจึงมีพระสุระเสียงดุดเสียงพรมตรัสดุดเสียงร้องของนกกาเรเวกมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปราวาทีดังนั้นเสียงจึงเป็นวิบากสัทโธวิปากโกติกถาจบ สลายตนกคาถา119่าว่าด้วยอายตนาห638สักวาทีจะขายยตนเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจะขายยตนมีสุขเวทนามีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 菩萨เป็นวิบากมีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจะขายตนะเป็นวิบากมีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจะขายตนะเป็นวิบาก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 โสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สั ก, กวาทีกายายตนะมีสุขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสั ก, กวาทีกายายตนะไม่มีสุขเวทนา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 อายตนะหกเป็นวิบากใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอายตนะหกชื่อว่าเกิดขึ้นเพราะได้มีการทำกรรมไว้มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากอายตนะหกชื่อว่าเกิดขึ้นเพราะได้มีการทำกรรมไว้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอายตนะหกเป็นวิบากสลายตนะกถาจบ ห้าสตักขตุปรมาคถา120ว่าด้วยบุคคลผู้สัตักขตุปรมะ641้ักวารีบุคคลผู้สตักขตุประ ม, ะ, ปร ะ, มะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมประวาทีใช่สักวาธิบุคคลผู้สตักขตตุประมะปรงชีวิตมารดา รงชีวิตบิดาปรงชีวิตพระอระหันต์มีจิตคิดประทุสร้ายทำร้ายพระตถาคตจนพระโลหิตท่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลผู้สัตตัคขตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาที บุคคลผู้สตักขัดตุปรมะนั้นเป็นผู้ไม่ควรที่จะได้บรรลุธรรมในระหว่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้สตักขัดตุปรมะเป็นผู้ไม่ควรที่จะได้บรรลุธรรมในระหว่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเขาปรุงชีวิตมารดาปรุงชีวิตบิดาปรุงชีวิตพระอรหันต มีจิตคิดประทุษร้ายทำร้ายพระตถาคตจนพระโลหิตห่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหร้อยสี่สิบสองสกวาทีบุคคลผู้สัตตะคตุประมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที บุคคลผู้สัตตกัตตุประมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยมักอเนแนนอนใดมักอเนแนนอนนั้นมีอยู่ใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวารีบุคคลผู้สัตตกัตตุประมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยสติปทานสมปทานอิทธิบาท อินทรี์พระพุทธชงเหล่าใดสติปทานสมปทานอิทิบาทอินทรี์พระพุทธชงเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปารวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห43สกวาทีบุคคลผู้สตักข ต, ตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยมักอเนนอนใดมักอแน่นอนนั้นไม่มีใช่ไหม ประ<า>วัติใช่สักวาทีหากบุคคลผู้สัตว์ตักขตตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยมักอันแน่นอนใดมักอันแน่นอนนั้นไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้สัตว์ตักขตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ครั้งเป็นอย่างยิ่งจักวาที บุคคลผู yeah. the the the the saying, ้สัตตกัตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยสติปัฏฐานโ่ชงเหล่าใดสติปัฏฐานพชงเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีหาบุคคลผู้สัตตกัตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยพ่อชงเหล่าใดพ่ชงเหล่านั้นไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า บุคคลผู้สตกักขัดตุปรามะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ครั้งเป็นอย่างยิ่ง644สี่กวาทีบุคคลผู้สตกักขัดตุปรามะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีด้วยการกำหนดแน่นอนคือสกทาคามีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวา ith, ทีด้วย ก, การกําหนดแน่นอนคืออนาคามมีใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีด้วยการกําหนดแน่นอนคืออรหัตใช่ไหมประวัติไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีด้วยการกําหนดแน่นอนอะไรประวาทิด้วยการกําหนดแน่นอนคือโสดาปฏิพันธ สกาวาทีบุคคลผู้สัตตะคตุประมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีเหล่าชนที่ก้าวลงสู่โสดาปัตินิยามทั้งหมดนั้นเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น645้ิประวาที ท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้สัตักขตุประมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีบุคคลนั้นเป็นสตักขตุประมะไม่ใช่หรือสักวาทีใช่ปรวาทีหาบุคคลนั้นเป็นสตักขตตุประมะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้สัตตักขตุประมะ เป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งสตตกขตุปรมกถาจบ6โกรังโกลกถาหนึย21บว่าด้วยบุคคลผู้โกรังโกละ646ประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้โกรังโกละเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกสองสามครั้งใช่ไหม สกวาทีใช่ปราวาทีผู้นั้นเป็นโกลังโกละไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปราวาทีหากผู้นั้นเป็นโกลังโกละดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้โกลังโกละเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกสองสามครั้งโกลังโกละกถาจบ 7. เอกพีทีกถา ห2ึว่าด้วยบุคคลผู้เอกพีชี647ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้เอกพีชีเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกครั้งเดียวใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีผู้นั้นเป็นเอกพีชีไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากผู้นั้นเป็นเอกพีชี ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้เอกพีชีเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกครั้งเดียวเอกพีชีกถาจบ 8. ชีวิตาโวโรปนกถา123ว่าโว่าด้วยการปรงชีวิต648สั ก, กวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปรงชีวิตสัตว์ได้ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิอาจจงใจปรงชีวิตมารดาปรงชีวิตบิดาปรงชีวิตพระอระหันต์มีจิตคิดประทุษร้ายทำลายพระตถาคตจนพระโลหิตพ่อทำลายสงให้แตกกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปรองชีวิตสัตว์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ไม่มีความเคารพในประสาทดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ไม่มีความเคารพในพระธรรมในพระสงฆ์ Years, for? ในศิษยาใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักการะทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดามิใช่หรือประวาทีใช่สักการะทีหาบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปรงชีวิตสัตว์ได้ บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาไมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีความเคารพในสิกขาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปรงชีวิตสัตว์ได้6 4 9้อสกวาที บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาทัายอุจระถ่ายปัสสาวะรถทมน้ำลายลงที่พระพุทธทศถูกทำพระพุทธทศถูกไว้ทางเบื้องซ้ายใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาที บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปลงชีวิตสัตว์ได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สกกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราย่อไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเหมือนาน้ำในมหาสมุทรมีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่งมีอยู่จริงมิใช่หรือ ปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปรงชีวิตสัตว์ได้ชีวิตาโวโรปนักถาจบ 9. ก้าทุกขติถาหนึยว่าด้วยทุกขติ650หสสกวาที บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุกติได้ใช่ไหมปราวา no? ท okay? ีใช่สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยังยินดีในรูปที่มีในอบายใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยังยินดีในรูปที่มีในอบายพันก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุคติได้ ักวาีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุคติได้ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยังยินดีในเสียงกลิน่นรสพทธพะที่มีในอบายยังเสพเมถุนธรรมกับหญิงอมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานตัวเมียกับนางนาคยังรับแพะและแกะ ยังรับไก่และสุกรยังรับช้างโคมา้าและลายังรับนกกระทานกคุ้มนกยูงและนกเขาใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีหากบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิยังรับนกกระทานกคุ้มนกยูงและนกเขาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิและทุกติได้651ด สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุกติได้บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยังยิ i, letting, นดีในรูปที่มีในอบายใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีพระอรหันละทุกติได้แต่ยังยินดีในรูปที่มีในอบายใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละทุคติได้ บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยังยินดีในเสียงกลิ่นรสโพทพะที่มีในอบายยังรับนกรนกระ t h n o k ุ้มนกยูงและนกเขาใช่ไหมประวาทิใช่สกวาทีพระอรหันตะทุกติได้แต่ยังรับนกรนกระ Thanok ุ้มนกยูงและนกเขาใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีพระอรหันตะทุกติได้และม่ยินดีในรูปที่มีในอบายใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละทุกติได้และม่ยินดีในรูปที่มีในอบายใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระอรหันตะทุกติได้และม่ยินดีในเสียง กลิน่นรสโพธพภะที่มีในอบายไม่เสบเมตุน ธ, ธรรมกับหญิงอมนุษย์กับสัตว์ดีรฉานตุเมียกับนางนาคไม่รับแพะและแกะไม่รับไก่และสุกรไม่รับช้างโคม้าและลาไม่รับนกกระทานกคุ้มนกยูงและนกเขาใช่ไหมประวาทีใช่สั ก, กวาที บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุกขติได้และไม่รับนกกระทานกคุ้มนกยูงและนกเขาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้ห้าบปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุกขติได้ใช่ไหมตกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยังเกิดในรก ในกำเนิดดิบระฉานยังเกิดในภูมิแห่งเปรตใช่ไหมส ก, กวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีดังนั้นบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจึงละทุกขติได้ทุกขติกถาจบสิบสตมะภวิกกัถา125ยว่าด้วยบุคคลผู้มีพบที่เจ็ด 653ประวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าบุคคลผู้มีภพที่เจ็ดละทุกติได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีบุคคลผู้มีภพที่เจ็พึงเกิดในนรกในกำเนิดเดือดฉานในภูมิแห่งเปรตได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีดังนั้นบุคคลผู้มีภพที่เจ็ด จึงละทุกขติได้ศตมภวิกรถาจบทวาธทสมวัคจบรวมกถาที่มีในวักนี้คือ 1. สังวโรก ร, รมันติกถาสองกรรมกถาสาสัทโทวิปา ก, กติกถาสี่สลายตนะกถา 5. สตักขตุปรมกถา 6. โกรังโกละกถา เจ็ดเอกพีชีกถาแปดชีวิตาโวโรปนกถา9ก้ทุกขติกถาและสิบสัตมภะวิกกถา